394-6977 สสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกแล้วในรายการมูลไบรท์พาเพลินรายการที่มอบเพลงลูกทุ่งเพละเพาะสาระและธรรมะดีๆ ด, ดำเนินรายการโดยดีเจสองแม่ลูกดีเจฟ้าและดีเจแอม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 ปรางเ์เกศนรูปทรงมันงายงามเกศสาวสาวทิ้ง่ายแลดูต่างเมินมองข้ามล้งกระท่อมแทบพุงประูจึงรายคู่ไว้ทิดเดินชูคำนับคู่เดียวแส้นเกียวเลือกิธม ราขชาตรีทาผู้ชิดเชื่อชื่นต้องตรมระทมจุดฝืนของคืนคนแ ค, ค้นขัดขืนอย่าขาสตรีไหวเป็นสีกระท่อมส า, มเมนนเ า, าสวเอิญ มาจนนานนั้นยังไม่เคยสมปราตถนากระทอมหลังนี้มีคุณอยู่เพียงฉันผู้เดียวขาดยิงได้ที่จะแหลงเลียวอยู่เดียวแส้นเกลียวราอยา่ากหาผ่อนจิต ไว้ที่ชื่นด้วยเสริมที่ว่าใครนอจะทรงสารเวตตาเจ้าของหอมหอประทรมสามเฮ้าละค่ะตอนนี้นะะคเราจะมาฟังประวัติของนักร้อเพลงลูกทุ่ง ที่เป็นด็อกเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีความสามารถด้านเพลงชอยลำตัดเกี่ยวข้าวและเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยอ่ท่านยังนึกไปออกใช่ไหมคะท่านนี้มีผลงานเพลงโด่งดังมากชื่อเพลงว่ายยอยยศพระหลอ่อแอเริ่มค้นกันแล้วนะคะกับคุณชินกรไกร ล, ลาดค่ะ ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงปี 2,541 ค่ะท่านมีชื่อจริงว่าด็อเตอร์ชินฝ้ายเทศเกิดเมื่อ 2,489 ที่อำเภอกงไกร ล, ลาศจังหวัดสุโขทยัยและมีความสนใจเพลงพื้นบ้านตั้งแต่เด็กเลยค่ะคือ เริ่มมาจากแบนเป็นนักร้องเพลงเชียร์รำวงแล้วก็มีเพื่อนที่รักกันมากชื่อทิวสุขขอไทยต่อมาค่ะก็ได้มาสมัครเป็นนักร้องของครูพยงค์มุกนาแล้วก็บันทึกแผ่นเสียงครั้งแรกนะคะในเพลงลูกทุ่งชีวิตแตเ่เพลงที่เป็นผลงานสร้างชื่อจริงๆก็คือยอยศพระลอเพชรคาดใจเพชรร่วงในสลัม แล้วก็แนวการแหลกที่เขาเรียกว่าแหลกกิ้งกากิ้งกือกิ้งกะกิ้งกือไงคือแนวแหลกตลกอะนะคะแล้วก็ได้รับการเชิดชเกียรติมากมายหลายด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเป็นผู้ที่ร้องเพลงออกเสียงภาษาไทยถูกต้องแล้วก็ในเรื่องของเป็นนักร้องลูกทุ่งดีเด่นนะคะในงานกึง่งศตวรรษลูกทุ่งไทยครั้งที่สอง แล้วก็เคยแสดงผลงานภาพยนตร์เอาเป็นว่าวันนี้เราจะไปฟังผลงานเพลงของท่านที่ชื่อเพลงว่ายอยศพระโลกันค่ะว่าจะไพเราะติดตรึงจนกระทั่งรุ่นลูกรุ่นหลานเอามาร้องประกวดกันทุกเวทีเอาละค่ะเดี๋ยวไปฟังแต่ก่อนจะไปฟังเพลงของคุณชินกรไกร ล, ลาดนะคะฝากไว้นิดนึง ว่าอย่าลืมแช่หมดเปลือกนะคะกับ DJM แอมวันพรุ่งนี้จะมาเล่าถึงประวัตินักร้องลูกทุ่งคนไหนกันค่ะ Chai, chai, piang, t e r รถอยู่หรือเปล่าคะว่าแต่เมื่อยขาปวดหลังหรือเปล่านั้นแน่ระวังจะชาเท้านะจ๊ะหากอยู่ท่าเดิมนานๆจนเมื่อยขาปวดหลังชามือชาเท้าหัวเข่าดังกรบับแกร็บไม่เกรนขึ้นหัวกระดูกทับเส้นอย่าลืม ชุดน้ำมันมูลไบรา ย, ยำชุดน้ำมันมูลไบรยช่วยท่านได้ส่งของเก็บเงินหน้าบ้านฟรีสนใจติดต่อ0813946977ยำ0813946977 ป้าขวัญบัวรอดค่ะแล้วแล้วก็บารีทีสี่สิบสามค่ะแนวหมู่สี่จังหวัดวัดไซเนี่ยอ๋อหมู่สี่จัวัดวัดไซอำเภออะไรคะคนครสวรรค์นเนี่ยอําเภอเมืองใช่ไหมคะอ่าออําเภอเมืองค่ ะ, ค, ะคุณป้าขวัญอาการเดิมก่อนที่จะมาใช้มูลไรท์ป้าเป็นอะไรมาบ้างคะมันอืดท้องค่ะอืดแล้วก็ ปวดหลังปวดขาอืดปวดหลังปวดขามีชาด้วยใช่ไหมคะอ่เออแล้วที่บอกว่าเอออืดปวดหลังปวดขาชาเนี่ยเป็นมากี่ปีป้านานแล้วเป็นมาหลายปีเต็มปีแล้วอืมกี่ปีแล้วคะคุณป้าอ๋อเป็นสิบปีแล้วมั้งปวดขาเนี่ยสิบ ป, ปีเนาะเอะอแล้วตอนนี้ป้ า, ปยาอยู่ไหรนะ่จ๊ะอายุนี้หกสิบแล้ว 60สิบอ๋อเป็นเป็น อ, อ่ปวดหลังปวดขาชาเป็นมานานแล้วแล้วคีณได้ลองรักษาหรืออ่อทานอะไรอาหารเสริมหรืออะไรอย่างอื่นมาบ้างไหมมันก็กินไว้เรื่อยมันไม่ดีขึ้นเลยแล้วป้าเป็นโรคเบาหวานด้วยโอ้ทานเยอะแล้วไม่ดีขึ้นไม่หายอ่ า, อาแล้วป้ามารู้จักกุมูลไบ Mumbai ได้ยังไงจ๊ะก็ฟังเอฟเอมเนี่ย ฟังวิทยุอ๋อฟังเฟอมวิทยุอืมแล้วก็ใช้แล้วก็ดีขึ้นใช่ไหมคะจ้ะอ่ะป้าป้าใช้ไปเอ่อชุดหนึ่งแล้วเกิดความประทับใจเลยกลับมาสั่งซ้ำใหม่จ้ะเอาไปแนะนำให้เขาพวกกันเพื่อนกันเขาจะลองด้วยเขาจะลองสั่งไปกินสักชุดหนึ่งอืมจ้ะอ๋อค่ะแล้วป้าเอ่อมีอะไรจะฝากกับคนที่เขาเป็นเหมือนป้าไหม ว่าที่ปวดล้างปวดข า, อ, าอย่างเงี้ยค่ะเอา้าใครเป็นก็ลองซื้อกินดูเอาค่ะว่าตึ้ว่ า, ากินว่าว่ามันเบาขึ้นน่ะอืมมันไม่อืดแล้วอะ่ะโอ้ห้องไม่อืดแล้วอา้าวขาคะเบาปวดไหมเบาเบาเอา่าแล้วไอ้ที่เป็นชาคะ่ะหายไหมชา ย, ยังไม่หายชา ย, ยังชายอยู่อ๋อยังชาอยู่เพราะมันเพิ่งใช้ได้แค่ชุดเดียวเองเนะเาะอช่ เป็นมาเป็นสิบปีได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วหายท้องอื่ดโอเค okay. ค่ะทางรายการมูลไบก็ต้องขอขอบคุณคุณป้าขวัญบัวรอดนะคะที่อยู่ตํบาบลวัดไทยเป็นอย่างยิ่งค่ะขอบคุณมากนะคะจ้ ะ, ะชาหมือนชาเท้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ํามันมูลไบจํา ชามือชาเทา้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ำมันมุไนไบร่จะปวดหรือชาแค่ไหนอย่าลืมใช้ชุดน้ำมันมุไนไบร่สอบถามได้ที่เบอร์0 8, 7 7, 0 8 1 3 9 4 6 9หนึ่งสาเกสี่หเก้าเจ็ดเจดจำศูนหนึ่งสาเกสหเก้าเจ็ดเจ็ด ก็ชื่อสุนันทาลัมเลิศ น, นะคะอยู่บ้านเลขที่เก้าสิบเก้าทับหนึ่งร้อยสามหมู่สิบสามตําบลวัดไซอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะหมู่สิบสามตําบลวัดไซอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ น, นะคะคุณสุนันทานี่<ะ>ก่อนหน้าที่จะมารู้จักกับมูลไรเนี่ยเป็นอะไรมาคะก็มิ้วชาแล้วมันถือของหนักจากดําไม่กวาดไม่ค่อยได้มันจะ มันก็ชาจะหนักๆแล้วก็บ่ามันเหมือนแบกอะไรอยู่หนักๆเตึงๆอะคะ่ะอืมนิ้วชายกของหนักไม่ได้บ่าหนักเหมือนมีอะไรแบกตลอดเวลานะคะคุณสุนันทาเป็นแบบนี้มากี่ปีแล้วคะก็สองสามปีได้แล้วคะ่ะประมาณสามปีอืมเป็นมาสามปีค่ะค่ะแล้วพยายามเคยลองหาวิธีดูแลตัวเองไหม มันทนไะม่ได้ใช่มันหายยังไงสรรหายาทุกอย่างที่เขาว่าดีนะซื้อมานวดมาทามาบีดจ้างหมอมาบีดเส้นจับเส้นมันก็ไม่หายอ่ะจ้ะอืมมันก็ยังไม่หายอ่ะแล้วทีนี้พอมาใช้มูลไร้แล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ฟังรายการวิทยุที่ติดไปกับรถน่ะเปิดฟังก็เลยว่าลองสั่งมากินดู โปรโมชั่นแถมด้วยช่วงนั้นเราก็เลยได้กินเป็นสองร้อยมิรก็เลยหายจากอ๋อก็คือช่วงนั้นเห็นมีโปรโมชั่นก็เลยสั่งดูลองมาทานดูแล้วปรากฏว่าทานแล้วหายเลยเหรอคะอาการที่เคยเป็ น, นะคะหายจาะหายโดยที่ล<ม>ืมไปเลยว่าหายไปซื้อของมาก่อนจะฮิ้วของเดินรอบตลาดไม่ได้เดีย๋ยวนี้ฮิ้วได้แล้วไม่ชาอ้ะอ๋อคืออาการเก่าไม่หลงเหลืออยู่เลยถูกไหมคะ ใช่ค่ะอืมแล้วเออ ค, ค, ค, คุณสุดคุณคุณสุดนันทานเนี่ยมองว่าราคาเป็นยังไงบ้างคะของมุญร้ค่ะถ้าคิดจริงๆแล้วก็ก็คุ้มค่าเงนินนะคะที่กินแล้วหายอย่างเงี้ยค่ะไม่แพงค่ะอ๋อคือมองว่าแบบเออมันคุ้มค่าคุ้มราคาเนาะใช่ค่ะแต่ตัวเองก็ดีขึ้นนะคะดีะค่ะ คุณสุนันทามีอะไรจะฝากบอกกับท่านผู้ฟังไหมคือบางคนน่ะเออโดนหลอกมาเยอะจนกลัวไปหมดแล้วไม่กล้าจะทําอะไรต่อแล้วกลัวว่าเอ้ยถ้าจะลองเสี่ยงกับมูลไว้เดี๋ยวไม่ได้ผลจะบอกอะไรกับเขาคะก็อยากจะให้ลองดูนะคะเพราะว่าบางตัวนี่ถ้าเราไม่ลองกับตัวเองแล้วเราจะไม่รู้่ะค่ะต้องลองค่ะอืมแล้วจะรู้ว่าเออดีจริงๆแล้วเลย ก็เลยต้องสั่งต่ออีกชุดนึงเ่ยค่ะคะือถ้ามัวแต่กลัวมันก็<ช>ไม่หายสักทีใช่ค่ะอืมเพราะมัวจะไปคิดคิดไปเองกังวลไปเองถูกไหมใช่ค่ะอืมโอ้เนาะอย่าไปคิดอะไรมากเลยบางคนเสีย <c oughs> หวยเสียอะไรหนักกว่านี้อีกใช่อืมค่ะทางรายการมูลไบรนะคะต้องขอขอบคุณคุณสุนันทาลำเลิศ ที่อยู่หมู่13ตำบลวัดไซอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะอาการเดิมก็คือปวดบา่ายกของไม่ขึ้นเดี๋ยวนี้ห<ช>่ ะ, ะ<ช>แล้วก็ดีขึ้นมาหมดแล้วนะคะ<ช>ขอบคุณมากค่ะพี่ค่ะ<ช>ขอบคุณค่ะ ทนปวดอยู่ทำไมต้องจ่ายเท่าไรถึงจะพอจะดีกว่าไหมถ้าหายปวดเบาตัวในชุดแรกที่ใช้ถ้าใช่ชุดน้ำมันมูลไรคือคำตอบสอบถามได้ที่เบอร์0 8 1 3 9 4 6 9หนึ่งสสหเกจดจยำ0 8 1 3 9 4 6 9หนึ่งสสหเกเจด Dead. เดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณไพเราะผู้ทราพรกันค่ะสวัสดีค่ะคุณยายค่ะสวัสดีค่ะค่ะให้คุณยายแนะนําชื่อนามสกุลแล้วก็บริเวณที่คุณยายอยู่เลยค่ะอ๋อชื่อนังไพโรผู้ธรา พ, าพอรอยู่ติดกระโหลกพาติกนี่ค่ะอ๋อโรงพลาสติกนะคะอยู่ตําบลอะไรคะเขาเรียกอะไรนะตําบลนครสวนครสวรรค์นะว่าเนี่ยมันขึ้ น, ข, นขึ้นเทศบาล น, นะคะ อ๋ออยู่ตรงแถวแถปากน้ําโพเนาะอ่าอ่าอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะอ่าจ้าจ้จอ่าค่ะคุณยายภไยเราะเนี่ยอาการนะคะอาการเดิมก่อนที่จะใช้มูลไหร่อะยายเป็นอะไรมาจ้ะลดลมค่ะรดลมแล้วเดินไม่ได้อ๋อรถลมแล้วเดินไม่ได้อาการเดินไม่ได้เลยแล้วปวดตรงไหนมั้งไหมขาพวกเข่าเนี่ยมันแบบมันขัดขัด มันไม่มีแรงขาอืมจ้ะแล้วฉันฟังมันจะอยู่ที่ก็พูดหรือบอกว่าเขากินกันแล้วเขาเดินได้กันอะไรอะไรนะึอืมก็เลยโทรสั่งกับเขามั่งเนาะเผื่อจะดีขึ้นค่ะโทรมา ก, กินเรากินไปห น, หนึงแล้วไอ้มา ก, กินวันนี้มันดีเนี่ยอืมกินกินมูลไปที่บอกว่าดีขึ้นอะอะไรบ้างคะที่ที่เริ่มดีขึ้นนะคะท่าเราก็ดีแล้วก็เบา อ๋อที่ปวดปวดขัดในหัวเข่านี้เบาใช่ไหมฮะเบาฮะอือแล้วอากาศแล้วตอนนี้คุณยายยังยังยังเดินไม่ได้อยู่เหมือนเดิมหรือว่าเริ่มเดินได้แล้วอะ้ะต้องใช้ไม้เทา้าเดินไมเท้าก็จะภาพอ๋อคือตอนนี้ก็ใช้ไม้เท้าแล้วพอเดินได้นะอออ๋ อ, อจากเดินไม่ได้เลยแล้วคุณยายมองว่าผลิตภณัณฑ์มูลไบส์อ่ะเทียบกับคุณภาพที่ยายได้รับอะ่ะ ราคาแค่เนี้ยมันมันแพงไปไหมมันก็ไม่แพงและค่ะอ่ากินกินแล้วก็ตอนกินเนี่ยจะถ่ายนี้ทุกวันะอืมกินแล้วขับถ่ายดีทาดก็ดีไอ้ปวดขัดหัวเข่าก็หายเดินก็พอเบ า, บาเยอะเลยอพอเดินได้นะค ะ, ะแล้วคุณยายมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ฟังทางวิทยุไหมคือบางคนนไม่กล้าสั่งทางวิทยุกลัวว่าพวกเราเป็นหน้ามา้าเไม่ใช่หน้ามา้าละค่ะ เพราะคนนะครสวรรค์นี่รู้สึกกับฟังอุตยุเนี่ยตรงวัดใจก็มีตองเขาแล้วก็เต็นก็มีอหน้องกดก็มีดีก็กินเนื้อาหายนะเดี๋ยว ก, กินแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็เดินได้ฉันก็นอนฟังอย่างชอบฟังอืมจการรายการมีอะไรตัร้งอะไ ร, อ, ะไรอ่าแล้วป้าพอใจกับคุณภาพที่ได้รับไหมฮ่าดีค่ะดีนะคะค่ะค่ะอ๋อจากที่เมื่อกี้คนโทรมาให้นะอยู่หมู่สิบสาม ตำบลวัดไทรนะคะไม่ใช่ตำบลปาน้โพนะคะเพื่อนผู้ฟังอยู่ตำบลวัดไทยอ่าอำเภอเมืองคลอสวรรค์เพราะว่าพอดีคุณป้าไพเรพึ่งย้ายบ้านมาก็เลยยังไม่รู้หนแห่งตำบลแถวแถวนี้ฉันไม่รู้ฉันก็อยู่ก็ลูกด้วยเนี่างมูลไบต้องขอขอบคุณคุณยายไพเรผู้ธราพรอย่างยิ่อย่ายินนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะค่ะค่ะ ชามือชาเทา้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ำมันมูลไบร์จำชามือชาเทา้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ำมันมูลไบร์จะปวดหรือชาแค่ไหนอย่าลืมใช้ชุดน้ำมันมูลไบร์สอบถามได้ที่เบอร์ 0-81 ย์แปดหนสามเกสหเกเจดจ สามเก้าสี่หกเก้าเจ็ดเจ็ดเดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณนะคเนกาพันยก ร, กรกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่านะคณค่ะเดี๋ยว อ, อยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่แนะนำเลยค่ะส า, ามที่สองสามที่เจ็ดถนนโกศิจา้า จั่หวัดนครสวรรค์หน้าผาเนี่ยอ๋ออยู่ตรงหน้าผานะชุมชนหน้าผาอือนั่นนั่นใช่ใช่ะน้คะเนยคะเห็นบอกว่าตอนนี้ใช้มูลไบผ่านมาสักพักหนึ่งดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะดีขึ้นโอ้ดีมากเลยอ่ะก่อนผมเดินไม่ได้เลยนะพอมาคืนมูลไบนี่เดินได้เลยอ่ะโอ้ดต่ก่อนแต่ก่อนเนี่ยเดินไม่ได้นี่คือเดินยังไงแบบเดินแบบกระชั้นกระชัแบบเดินต้องใช้ไม้อ่ะ เดินเอียงหรือเดินขาลากน่น่เนะเน่ <c oughs> นเน่เน่เน่อ <c oughs> <c oughs> อ๋อทุกวันนี้เดินไม่ต้องใช้ไม้เลยนะตั้งแต่กินมูลใบไปอะ่ะโ oh. อ้เอาเนี่คนเดินคนมาถามนี่บอกถามบอกให้นยนม่กินอะไรวะ <c oughs> บอกมูลใบอะ่ะขนาดฉีดนะนะที่ว่าร้า <c oughs> นไนนะมือชา้ามืออะไรขนาดคนข้าบ้านขอเช็ดนี่ขนาดพูดอย่างไั้ไม่ได้ผมเอาไปแค่ฉีดแค่วันเดียวมาถามซื้เลยอะ่ะดีจริงๆไม่เชื่อฮะลองดูได้ คือจากเดิมอะคนข้างบ้านเขาข อ, อเคสแล้วก็เป็นอะไรอีกนะเขาขาบวม น, นี่แล้วก็เฮ้เป็ น, เ ป, นเป็นหัเข่า น, นี่นะลันนะเขากินยาตั้งหลายทีไม่หาแล้วพอวันนี้ไปเจอเขานี่ก็บอกโ อ, อ้ผมมีมูนไบมันบูนไบอะไรวะมับอกเฮ้ยเมืมเ่อวานหลงสิทธมาได้วันเดียวเนี่ยเขามาถามบอกอให้ยทิศนี่ยมันตังตรงไหนได้วะบอกอ่ะนี่เนี่ยที่ที่ข้างกลองเนี่ยเนี่ยที่เขาตกมาผมเนี่ยอ่าอันเนี้โอ้โห แต่ ว, ว่าดีมากคือใฉีดคือน้ำมันนวลนี่ฉีดพ่นแค่ครั้งเดียวรู้เรื่องเลยว่าเบาครับโอ้จ้าแล้วคือว่ามันดีเลยนะผมกินมาทั้งหมดนั้นนัหายแล้วผมเจอ ย, ยามาหลายทีแลว้วมาเจอมูลไบ้นี่โอ้โหยาเชวโรดานะไม่เชื่อลองลองดูได้ไม่ใช่ผมเป็นหน้ามาเป็นไรนะค่<ฮ>ะลองดูได้เลยอืมไม่เชื่อนะโชรมาถามผมได้แล้วไม่เชื่อมาถามหน้าผาเนี่ย อออยู่เนี่ยเลยสันเจ้าแพทย์เจ้าแม่ถนนโกตีเนี่ยตานที่สองตานที่สี่เนี่ยา ต, ตานที่สองทับตานที่เจ็ดเนี่ยโอจ้าแสดงว่าแบบคือยืนยันเลยว่าเฮ้ย<อ>เรากินแล้วได้ผลดีจริงไม่ใช่หน้าม้งหน้าม้าอะไรกันหรอกอย่างที่เมื่อสองวันนี่คนขายข้าวมันไก่หน้าผาเนี่ยขาบวมเนี่ยเดอเขานั่นไม่ได้อ่ะเขาผมเอาไปให้เขาฉีดอะเชื่อว่าจะพักเขาออกมาขายได้ อ, ะอ่ะอ้ย พอ <ship> มาขอซื้อผมต่อเนี่ยแปด้อยผมบอกเฮ้ยไม่เอาอเลี่ยมจริงเนะใครมาโกหกโอ้โหขนาดผมวแบบลุกลุกไปยืนขายเขามางไก่ไม่ไหวเหตดไปแค่ครั้งเดียวต า, <อ> า, าแล้วมา น, นวดทีเดียวลุกขึ้นไปได้เขามางไก่ต่อได้เลยโอ้โหเมื่อไรมาพอขายแล้วมาพอขายเสร็จนั้นมาขอซื้อผมแปดร้อยผมบอกเฮ้ยไม่เอ้าแสดงว่าของมูลไบเนี่ยคือเห็นผลทันตาทันใจกันเลย อ้าวสุดยอดนะไม่รู้ว่าก<ม>ันผมว่าสุดยอดนะ<ม>โอ้ับรองมาถ้าใครบอกแค่นี้เสียดายตังนะโเหเฮ้อลองรู้ก่อนลองรู้ก่อนแล้วคุณจะไม่ผิดหวัง <c oughs> จริงๆริงที่คุณเคยโดนหลอกมาแล้วนะอันนั้นน่ะนั่นแต่คุณมาเจออันนี้มาเห้ะผมรับรอง <c oughs> ไม่เชื่อ ว, ว่าผมคนเดียวนะไม่เชื่อไปทั่วเลยรับรองถามใครดูได้อือ ที่มูลไบส์เราคุยคุยกันหลายหลคนคนนู้คนนี้นี่ตัวจริงทั้งนั้นนะคะท่านผู้ฟังไม่ใช่น้ามานะคะเ อ, อเาหาว่าหาหน้ามาผมฟังไม่ดูในใคบอกหน้ามาโอ้โหเนี่ยที่แอมัมภาษณงวัดใจอะไรนีนะผมก็ฟังอ่าว่าอยู่วัดใจที่ว่าเดินวัดทาบุญไม่ได้นี่นี่เขากินมไบส์ไปวัดนีปารีปารีปารีปารีปัรีปารีปารีปารีปารีปีปารีปนรีปารารีารารีปารีปาารีปาาีปารีปารีีารีีปารีปารวปาา โอแล้วก็เขาก็ไปเออเขารู้จักมาจากอีกคนหนึ่งป้าบางอ่อนแสงส้อยอันนั้นก็นอนหยอดข้าวต้มมาเป็นปีตอนหลังก็หายก็คือดีกันทั้งนั้นนะคะก็ถ <c oughs> ายกันทั้งคิดดูดีนะเนี่ลุงเมนี่ลองมาหมดทุกอย่างทุกอย่างมาเจอเนี่ยบุญได้นะ โ, โหเหมือนกับโอ้โหโชคดีอะ่ะอทําได้ทุกอย่างในบ้านนี่ทําได้ทุกอย่างล้างการทุบบ้านทําอะไรหูสบายอะ่ะเดี๋ยวนี้ก็ทิ้งไม่เท้าเลย โอสบายเนี่ยเดินนี่ก็เดินออกมาข้างนอกเนี่ยนั่งเล่นอยู่กับพวกปู่ญาตาิยายเนี่พี่ตาณ้าอาเนี่ยนั่งคุยกันเมื่อกี้เนี่ยจ้าโอ้โหบอกว่าลองดูได้ไม่เอาเฉพาะน้ํามันก็นแล้วกันเห็นเห็นแล้วคาร์บอนต้นหรืออะไรต้นะถ้าฉีดนะถ้าไม่หายวันลุ้งขึ้นนะให้มาหาผมได้เลยที่หน้าผาเนี่ยถามคนเจเนก็รู้จักยิงเอาแค่น้ํามันแค่นั้นแหะพอแล้ว <c oughs> จ้า <c oughs> จ้าโอ้ของน้ามันมุนไบร์ขอบคุณนะคนเน่มากนะคะค่ะที่วันนี้ได้แบบว่าให้เกียรติมาแสดงความคิดเห็นผลิตภัณฑ์ชุด น, น้ามันมุนไบร์ขอบคุณค่ะจ้าหากท่านใดอยากป้องกันบรรเทาอาการปวดเมื่อยไม่ว่าจะเป็นปวดหัวเขา่าตักคริวนิ้วล็อกชามือชาเท้ากระดูกทับเส้นปวดตามข้อตามกระดูกเนื่องจากเป็นเกา ในราคาไม่แพงส่งตรงถึงหน้าบ้านปลอดภัยไม่ต้องผ่าตัดโปรดวางใจให้ชุดน้ำมันมูลไบรท์ดูแลท่านโดยชุดน้ำมันมูลไบรท์มีสมขนาดคือเล็กกลางใหญ่ทุกชุดมีสมุนไพรบำรุงเส้นสมุนไพรล้างสารพิษพังผืดหินปูนและน้ำมันบำรุงเส้น สำหรับชุดเล็กเป็นขนาดทดลองใช้ได้สองอาทิตย์ราคาเพียง820บาทชุดกลางใช้ได้1เดือนราคา 1,400 บาทและชุดใหญ่ที่ราคาสุดคุ้มใช้ได้สองเดือนราคา 1,700 บาทเหมือนท่านได้ดูแลตนเองวันละ20กว่าบาทเท่านั้น ชุดใหญ่สุดคุ้มนี้มีสินค้าถึงสชิ้นคุ้มยิ่งกว่าคุ้มในราคาเพียง 1,700 ร้อบาทเฉลี่ยวันละ2ี่กว่าบาทเท่านั้นทุกชุดจัดส่งฟรีเก็บเงินถึงหน้าบ้านคุณหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์081 394หนึ่งสี่ หกเก้าเจ็ดเจ็ดย้ำศูนแปดหนึ่งสามเก้าสี่หกเก้าเจ็ดเจ็ดข่าวดีค่ะเพียงท่านสั่งชุดน้ำมันมูนไรชุดใหญ่รับของแถมฟรีย้ำ สั่งชุดน้ำมันมูลไรท์ชุดใหญ่รับของแถมฟรีชุดใหญ่เท่านั้นที่มีของแถม อยากอยากใคล้ลักเป็นนมนีดีแต่เป็นสาวตาคมจิงได้แต่ชมและไมู่ชา Ah. Uh. มองกุดตอบไม้ให้หน้ามนสร้างขึ้นจากมือขอนน้อมมนจนให้หน้ามนเจ้าเป็นจอมใจครับผมผมชื่อเจริญคล้ามารีครับเฮ้ยบาลิฟิ15ครับ1 ห, ห, หมู่9ครับ ตำบลค่ะตำบลวัดไรายอำเภอเมืองครับอ่าตำบลวัดไรายอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ น, <ฮ>ะนะคะครับผมค่ะคุณจเจริญก่อนที่มารู้จักกับมูลไรคุณจเจริญเป็นอะไรมาคะเอ่อผมก็มันปวดขาครับชาขาค่ะแล้วก็นิ้วก็ชาอืมครับผมเล้วปวดหลังด้วยครับปวดขาชาขานิ้วชาปวดหลังครับผมครับผมปวดทั้งขเลยนะพี่ เข่ามันน่าจะเป็นเข่าอันนี้วยเข่าเขาเขาเื่อมด้วยนะครับเข่าเสือมคุณเจริญอายุเท่าไหร่คะอ่ห้าสิบครับห้าสิบนะคะครับผมแล้วคุณเจริญนี่เอ่อพอเป็นมานานหรือยังอาการพวกนี้เออประมาณสักห้าหกปีแล้วครับผมเป็นมาห้าหกปีแล้วพยายามหาวิธีรักษาตัวเองมาก่อนหน้านี้ไหมเออผมก็ ใ้ยามหาวิธีรักษาครับมันก็ไม่ดีขึ้นก็เลยไม่ได้อะไรมากมายนวดบางปวดเมื่อยก็นอนนะครับผม อ, อ๋อครับคือรักษามาหลายอย่างไม่ดีขึ้นครับอืมแล้วพอมารู้จักกับมูลไบรท์ได้ลองใช้เป็นยังไงบ้างคะก็เหมืนรู้สึกเบาขึ้นนะครับผ ม, มสบายขึ้นจากที่นอนปวดเมื่อยก็นอนสบายไม่ต้องไม่ปวดไม่เมื่อยอืมที่ปวดอะไรเงี้ยก็ดีขึ้นนะคะครับผม แล้วคุณเจริญมองว่าผลิตภัณฑ์มูนไบร์เนี่ยเป็นไงราคาเป็นยังไงพอรับไหวไหมพอรับได้ครับผมผมรับได้มันไม่แพงครับอ่าไม่แงมพงเทียบกับคุณภาพนะครับนะแล้วผมเทียบกับคุณภาพแล้วไม่แพงนะครับอืมค่ะแล้วคุณเจริญมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ฟังไหมบางคนเนี่ยคือเขาเป็นอาการคล้ายๆคุณเจริญแต่ว่ากังวลไม่กล้าสั่งอ่าไม่กล้าสั่งซื้อเองเพราะว่าลองมาเยอะ<ม>จ่ายมาเยอะแล้วหือ เ็บตัวมาเยอะก็เลยกลัวกลัวว่ามันจะทำรอยเดิมอีกว่าใช้มูนไบเดี๋ยวก็ไม่หายหรอกครับผมลองได้ครับลองชิ้เล็กก็ได้ลองชิ้ใหญ่ถ้กลัว น, นี่เราเสียอีเดียวนี้นิ้วเท่าไรเสียนี่หน่อยเดียวไม่เป็นไรแล้วครับครับผมเรารู้ไม่ดีแล้วก็เลิกได้ดีแล้วก็ทานต่อไปครับผมอ่าค่ะครับผมอ่าค่ะทางรายการมูนไบนะคะต้องขอขอบคุณคุณเจริญคล้ายมาลีนะคะอยู่หมู่เก้า ตำบลวัดไซอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะครับผม่ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเจริญครับผมบชาวมือชาเท้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ำมันมูลไบร์จ้ำชามือชาเท้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ำมันมูลไบร์จะปวดหรือชาแค่ไหนอย่าลืมใช้ชุดน้ามันมูนไบร์สอบถามได้ที่เบอร์ศูนแปดหนึ่ง สามเก้าสี่หกเก้าเจ็ดเจ็ดจำศูนย์ดหนึ่งสามเก้าสี่หกเก้าเจ็ดเจ็ดเชิญวิภาพอสี่จ้าแต่ว่าแม่ชื่อวิเชนบุญยะอ๋อเหรอคะค่ะาบอกบ้านเลขที่แล้วก็ตำบลเลยค่ะอยู่ที่ไหนคะ หมู่6ตำบลวัดสายอำเภอเมืองจังหวันดคนครสวรรค์คุณแม่ใช่มิเชียนบุญตะค่ะแล้วอาการคือลุกเดินแล้วแก่ก้าวได้สองสามก้าวก็ล้มเหมือนขาอ่อนขาไม่มีแรงขาก้าวล้มเดินไม่ได้เดินเดินได้แค่แบบใกล้ๆสองสามก้าวแกอยู่ได้แต่แบจะเดินไกลแกจะล้มเลยอขาไม่มีแรงถูกไหมแล้วเห็นบอกชาชาเท้ามากเลยเหรอคะ ท, า, ทาเช้ามากคฮะตอนนี้กินไปแล้วแต่ก็เดินได้ไกลขึ้นเดินเดินไปทำบงทำบุญที่วัดได้อะไรได้เดี๋ยวถามนิดนึงเนี่ยเป็นเส้นอย่างนี้มากี่ปีแล้วคะเนี่ยประมาณสองปีจ่ะสองปีแล้วอรับประทานอาหารเสริมเส้นแล้วก็ผลิตภัณฑ์ ล, ล้างหินปูนแล้วก็ทาน้ํามันเนี่ยน<ะ>านแค่ไหนถึงรู้ว่าดีคะใช้ไปประมาณสามชุดละจ้ะอ๋อสามชุดก็เริ่มรู้ว่าดีขึ้นตอนนี้ปัจจุบันนี้<ะ>คุณแม่เดินได้ไกลแค่ไหนแล้วคะเนี่ยเดินได้ไกลประมาณ จากบ้านไปวัดก็ประมาณห้าเมตรหกรอยเมตรอะคะ่ะอ๋อแต่ก่อนนี้มาแค่สองสก็เดินต่อไม่ได้ใช่ไหมจ้ะตอนตอนนี้รับประทานอาหารเสริมเส้นรางหินปูนแล้วก็น้ํามันนี่ใช้มากี่ชุดแล้วคะเนี่ยตอนนี้ใช้ไปประมาณสชุดชุดที่สี่ะคะ่ะอ๋ อ, อชุดแรกก็เริ่ม ด, ดีใ ช, ช, ช้คาหยกจ้ะชุดแรกก็เริ่มดีขึ้นเลยแล้วแกก็กอทานเรื่อยเรื่อยเลยอ๋อหรือคะค่ะมี มีข้อคิดเห็นว่าผลิตภัณฑ์มูลไบส์ราคาเป็นยังไงแพงไหมคะในความคิดเห็นราคาก็ราคาก็ประมาณปานกลางไม่ไม่ถึงกระแพงมากพอคนฐานะปานกลางกินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันกินแล้วก็ขีขึ้นค่ะก็เลยประทับใจเดี๋ยว<า>คุณวิภ า, าพอจะบอกเบอร์โทรได้ไหมคะเผื่อท่านผู้ฟังอยากจะโทรมาถามว่าจริงไหมอะไรเนี่ยค่ะศูนแปดศูแปดเก้าสองหกเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งแปดค่ะค่ะ ก็ขอขอบคุณคุณวิภาคุณวิภาโพสีมากเลยนะคะที่บอกเล่า90ความประทับใจในผลิตภัณฑ์มูลไบมาให้กับท่านผู้ฟังได้ลองอพิจารณาดูนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์มูลไบราคาไม่แพงอย่างที่คุณวิภาบอกนะคะเพราะว่าอย่างราคานี้ท่านจ่ายได้แล้วก็ข้อสำคัญก็คือ ช่วยดึงเส้นแล้วได้จริงนะคะหากท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์0813946977ทวนเบอร์นะคะ0813946977หรือ0885453515 ทวนเบอร์นะคะ0885453515หากท่านใดจดเบอร์ไม่ทันให้ให้เตรียมกระดาษปากกาแล้วจดในช่วงบทสัมภาษณ์ในคราวหน้าก็ได้ค่ะสำหรับในช่วงนี้ที่ฉันขอกล่าวคำว่าสวัสดีกับคุณวิภาโพสีด้วยนะคะสวัสดีค่ะหากท่านใดอยากป้องกันบรรเทาอาการปวดเมื่อยไม่ว่าจะเป็นปวดหัวเขา่าตัคริวนิ้วล็อก ชามือชาเท้ากระดูกทับเส้นปวดตามข้อตามกระดูกเนื่องจากเป็นเก้าในราคาไม่แพงส่งตรงถึงหน้าบ้านปลอดภยัยไม่ต้องผ่าตัดโปรดวางใจให้ชุดน้ำมันมูลไบรท์ดูแลท่านโดยชุดน้ำมันมูลไบรท์มีสขนาดคือเล็กกลางใหญ่ทุกชุด มีสมุนไพรบำรุงเส้นสมุนไพรล้างสารพิษพังผือหินปูนและน้ำมันบำรุงเส้นสำหรับชุดเล็กเป็นขนาดทดลองใช้ได้2อาทิตย์ราคาเพียง820บาทชุดกลางใช้ได้1เดือนราคา 1,400 บาทและชุดใหญ่ที่ราคาสุดคุ้ม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 สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0813946977ย้ำ0813946977ข่าวดีค่ะ เพียงท่านสั่งชุดน้ำมันมูลไร์ชุดใหญ่รับของแถมฟรีย้าสั่งชุดน้ำมันมูลไร์ชุดใหญ่รับของแถมฟรีชุดใหญ่เท่านั้นที่มีของแถม สายชนห่วยลานมีทั้งบัวตูมบัวบานดอกใบไว้ค่าร And mm b -hmm. mm -hmm. mm -hmm. 家德，天地厚，谢汤夫。 เสียทางคู่ครวรคิดดูอยู่ไม่นานพอดอกุูมแยมตระการดอกบานก็คงแหง้งโหยกลีปราร่วงโรยหนะน้าชาต้องลาแล้วนอบัวชอ่องามบาปโคราธรรมประดังแล้วจำเรือน้อยคอยเข้าฟังไม่ยอม ลลัลง ห, มห ง, งมสวัสดีค่ะดิฉินนางสาวสมใจคุณตะทิมค่ะ อยู่บ้านเลขที่สอง3ามหาค่ะตำบลวัดไซค่ะอําเภอเ<ำ>มืองนครสวรรค์ค่ะค่ะคุณสมใจพุ่มทัพทิมเป็นอะไรคะก่อนรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมปวดอปวดหลังแล้วก็ชานิวนิ้ ว, น, วนิ้วนางแล้วก็ที่เท้าค่ะชาชาเท้านี่ชาทั้งสองข้างไหมข้างเดียวค่ะแล้วก็ข้างซ้ายก็จะเป็นยออยิดหน่อยค่ะ ทานคนนี้แล้วรู้สึกว่าคุณสมใจเป็นอาการดังกล่าวนี้เป็นมานานแค่ไหนแล้วก็อกเป็นประมาณกี่ปีแล้วค่ะค่ะปีหนึ่งประมาณนั้นใช่ไหมจ้ะประมาณนั้นคพื่อกะว่าปีหนึ่งค่ะเพราะว่าหาออกมาแล้วก็ก็ไม่ไม่ถูกใจค่ ะ, ะคือมันมันไม่ดีขึ้นเลยก็สนใจของอันนี้ค่ะแล้วเราอ่าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์มูลไบไปแล้วก็น้ํามันด้วยใช่ไหมน้ำมันแกปวดเมื่อยก็น้ํามันด้วยจะทาทาด้วยแล้วก็กินด้วยทั้งทั้ง พาตอนเช้าเรียกว่าสามเวลากี่เวลาก็ทากินแล้วก็ทารุ้สึกว่ามันดีขึ้นค่ะดีขึ้นบอกว่าตอน น, อ น, นี้อาการยอกในหัวเข่ามีไหมคะเนี่ยตอนนี้ยอกเข่าไม่มีค่ะแต่ว่ายังมีตรงที่ว่า เหมือนก็เราจะแบบไงมันก็มียอดเล็ก ๆ, ๆน้อยๆเลยค่ะน้อยอยู่ค่ะเพราะาเพิ่งเพิ่งทานได้ร้อยเม็ดถูกไหมแล้วแล้วก็ที่ว่าชาเท้าตอนนี้หายไปหรือยังตอนนี้ก็เบาเยอะเลยค่ะแต่ว่าก็มีบ้างเล็ก ๆ, ๆ, ๆ, ๆน้อยๆมันก็ชาทีนิดๆกับชาคือว่าชาแล้วก็คือว่ามันก็หายไปเลยชาเป็นบางครั้งค่ะคือแต่ก่อนนี่ชาบ่อยเดี๋ยวนี้นานๆครั้งถูกไหมชาทั้งนิ้วชาทั้งเท้ารู้สึกว่ามันมันไม่สบายใจค่ะก็เลยเนี่ยมาลองสั่งค่ะุดชา ก็ไม่ได้แพงราคากไม่ได้เท่าไหร่เลคะคือว่าถ้ามันตรงนี้ใช้ได้ก็คือว่าก็จะขอมีต่อไปะคะ่ะให้ดีขึ้นค่ะก็คือว่าณนะเวลาเนี้ยอาการยอกในหัวเขา่าแทบไม่เหลือแล้วถูกไหมคะอ่าแค่จะคือเบาได้เยอะเลยค่ะมันก็มีเล็กๆไม่น้อยค่ะยังเพราะว่าเพึ่งทานนะคะค่ะโอเคค่ะก็มีอะไรจะฝานอีกไหมคะคือคุณสมใจนี่รักษามาทั่วใช่ไหมก่อนที่จะใช้เจอผลิตภัณฑ์ไปถามหมอทั้ง เดแล้วก็พอดีก็ไปรักษาของหน้าประกันสังคมอะค่ะค่ะก็คือรักษามาแล้วอาการก็ยังไม่ดีขึ้นถูกไหมมันก็กินก็มันอยู่ก็คือว่ายามันก็ใช้ได้แต่ว่ามันมันต้องที่เงินที่ว่ามันกินแล้วรู้สึกว่ามีอาการคือว่ามันมวนท้องแล้วมันของมูลใบนี่ไม่มวนท้องถูกไหมไม่มวนท้องแม่อะไรเลยค่ะเพราะว่าพอกินแล้วมันก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรเลยแต่ว่ายาของหมอนั่นมันมีแบบมันต้องกินพร้อมข้าวอะค่ะอ๋อก็คือสรุป ของมูลบเนี่ยไม่กัดกระเพาะถูกไหมไม่ค่ะไม่เลยค่ะกินได้กินได้ปกติเลยมันไม่มีรู้เน้วก็ดีขึ้นเยอะเลยนิ้วเนี่ยใช้ได้แบบเหมือนแบบเหมือนคนปกติทำงานได้มีแรงเยอะเลยค่ะทหนักค่ะ ค่ะค่ะอ๋อทำงานหนักด้วยเหรอคะนเนี่ยงานหนักก็คือว่าโรงเรียนปิดนี่ก็ต้องมีงานเสริมว่ายกนนยกหมี่อะไรบ้างโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยจ้าก็ ข, าขอขอบคุณคุณสมใจผู้ทับทิมมากเลยนะคะที่บอกเล่า90ความประทับใจผลิตภัณฑ์มูลใบหากท่านใดมีปัญหาเส้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทะคิวนิ้วล็อกกระดูกทับเส้นชามือชาเท้าลองมาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์มูลใบกันดูนะคะได้ที่เบอร์0813946977หรือ0885453515 ชามือชาเทา้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ำมันมูนลไบร์จำชามือชาเทา้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ำมันมูนไบร์จะปวดหรือชาแค่ไหนอย่าลืมใช้ชุดน้ำมันมูนไบร์สอบถามได้ที่เบอร์ 0-81 ย์แปด7นึ่สามเกสหเกเจดจ ส9 4 6 9 7 7ีเจ DJM มีเรื่องอยากจะฝากบอกกับทุกท่านค่ะนั่นคือวิธีสร้างความสุขอย่างง่ายๆให้กับตัวของคุณเองค่ะสร้างอย่างไรนั่นหละคะง่ายมากคะ่ะแค่เพียงทุกท่านนะคะลองไปหาคน ที่มีความสุขตลอดเวลาไปอยู่กับเขาเนะคะแล้วเดี๋ยวท่านก็จะได้รับพลังแห่งความสุขนั้นมาเองมันมหาสารจา์มากค่ะเวลาที่เราอยู่ใกล้ๆ ก, กับคนที่เขาคิดบวกเขามีความสุขมันจะทำให้เรามีความสุขตามไปด้วยค่ะหรือถ้านลองยิ้มดูนะคะแค่ยิ้มค่ะเรื่องดีๆความสุขก็กำลังจะเกิดขึ้นแล้วค่ะ แต่ถ้าหากท่านรู้สึกว่าเอ๊ะฉันอยู่ตัวคนเดียวไม่รู้ว่าจะไปอยู่ใกล้ๆกับใครที่ให้ความสุขฉันได้ลองมาฟังรายการมูลไบรท์พาเพลินสิคะเพราะทุกๆวันเราจะมีแต่เรื่องที่มีความสุขมีแต่เรื่องที่สบายอกสบายใจมอบให้กับท่านผู้ฟังพร้อมกับสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพค่ะ รับประกันได้เลยนะคะว่าอยู่กับรายการมูลไบรท์พาเพลินทุกๆวันแล้วเนี่ยทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตของท่านจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆจากในเครื่อมู b ไบรท์ก็จะสรรหาผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะเพื่อมาดูแลทั้งสุขภาพ ซึ่งจะส่งผลให้สุขภาพจิตท่านดีตามไปด้วยนะคะแล้วท่านไม่ต้องกังวลใจไปค่ะว่าเอ๊ฉันไม่กล้าโทรหามูลไบรท์กลัวเขาจะว่าไม่ต้องกังวลใจไปนะคะ call center ของมูลไบรท์ทุกคนน่ารักค่ะแล้วก็อารมณ์ดีโทรมาหาเราได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 1>, 1 3 9 4 6 9า7สี่หทวนเบอร์นะคะ0 8 1 3 9 4 6 9หนึ่งาสี่หเกถ้าหากว่าท่านโทรไม่ติดนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงนั้นสายเข้าเยอะไม่ต้องหุดหงิดใจไปนะคะ เดี๋ยวทางพ น, พนักงานของมูลไบรท์จะโทรกลับหาท่านเองนะคะไม่ต้องโทรมาเยอะมากเอาละค่ะยกหูโทรศัพท์หาเรานะคะสุขภาพดีกําลังจะเริ่มต้นขึ้นที่ตัวของท่านเองแล้วล่ะค่ะเวลาของรายการมูลไบรท์าพาเพลินได้หมดลงแล้วพบกันใหม่ในเวลาเดิมสําหรับวันนี้ ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ